ไปบอกท่านด้วยซ้าไปว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนรู้สึกเวลาของเราจำกัดชีวิตเราจะเหลือแค่ไหนเราไม่รู้ใงเวลาหลวงพ่อไปกราบครูบาอบาจารย์จะถามแต่ธรรมะล้วนๆหน่อยถามธรรมะจบแล้วเข้าใจแล้วถ้าท่านไม่ไล่นะก็หลาท่านแต่อย่างหลวงพูดดูลเนี่ยถ้านพอถามเสร็จสอบเสร็จแล้ว ท่านจะถามว่าเข้าใจไหมเราบอกเข้าใจนะท่านไปไปปฏิบัติเนาะคล้ายๆสมัยพุทธ ก, การเราไปเรียนร้าไปเรียนจับพระพุทธเจ้าเรเรียนรู้เรื่องแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไล่เหมือนกันโน่นไม้นั่นเรือนว่านั่นูเขานี่ท้ำให้เป็นปฏิบัติเนาะฉะนั้นปกติหรวงพ่อจะหวงเวลามากนะรู้สึกชีวิตเราแต่ละคนมีจำกัด การศึกษาธรรมะใช้เวลาต้องใช้เวลาศึกษากันทั้งชีวิตชีวิตเดียวปกติไม่พอด้วยศึกษาแล้วศึกษาอีกท้ำแล้วซ้ํำอีกทำไมต้องศึกษากันนานเพใจเรามันดือ้อใจของเราแต่ละคนมันเคยชินที่จะตามใจกิเลสคนส่วนใหญ่ก็จะตาบใจกิเลสไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าเราได้สนองความอยากสนองความต้องการแล้วมันมีความสุข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 ค่ๆพออยากดีแล้วก็ค่อยศึกษาศึกษามากเข้าวมาเข้าเราจะพบว่าถ้าเมื่อไร่ใจเราเกิดความอยากเราจะมีความทุกข์ส่วนคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขจะพบว่าถ้าไม่สมหยากแล้วมันจะมีความทุกข์มีความอยากแล้วไม่สมอยากมันทุกข์นี่นักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราฝึกดูจิตดูใจตัวเองเราจะพบว่าเมื่อไหรเกิดความอยากจะสมหยากหรือจะไม่อยากก็ตามแค่อยากขึ้นมาก็มีความทุกข์แล้ว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 เพื่อทดลองลองกิดลองถูกผ่านความยากลำบากมาเยอะในที่สุดท่านกลัน่นกรองธรรมะที่เรียบง่ายออกมาธรรมะจริงเรียบง่ายมากถ้าเราเข้าใจเราศึกษาให้เข้าใจแล้วนะจนสติเกิดได้เองนะคนที่ไปเรียนจากหลวงพ่อที่วัดจํานวนมากเลยเวลามารายงานการปฏิบัติจะรายงานบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือผมไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืน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 จิตตั้งต้นอย่างเกือด้วยโลภะแต่ถ้าเรากําหนดไปดูท้องดูเท้าดูลงดูมือเนี่ยแล้วหัสรู้จักสภาวะพอจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดและสติมีสองงนนะสติธรรมดาธรรมดาหรือมิจฉาสติแต่สัมมาสติสัมมาสติเราลึกขึ้นได้เองเป็นความเราลึกได้สติที่พวกเรารู้จักจะเป็นสติของการกําหนดแต่กำหนดลมหายใจกําหนดมือกําหนดเท้า ถ้ากำหนดโดยมุงง่งหวังความสงบแล้วก็มันจะมุ่งไปสู่สมถกรรมถานจะไม่เกิดปัญญานนะ<ช>แต่ถ้ากําห น, ด, นดมือเท้าท้องลมหายใจอะไรแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตจําสภาวะได้ในที่สุดส ต, ติตัวจริงสัมมาสติจะเกิดโดยไม่ได้กําหนดงั้นใครเคยปฏิบัติกรรมฐานอะไรทําต่อไปได้ไม่ไไ ต, ไไมต้องเลิกใ<ช>ครเคยพุทธโธก็พุทธโธไปพุทธโธพุทธโธ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 หายใจเข้าไปสักพักหนึ่งทุกนะเราต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออกสักพักหนึ่งทุกอีกแล้วเราต้องหายใจเข้าแก้ทุกนี่หายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกเพราะร่างกายถูกความทุกบบีบพันตลอดเวลาะยืนเดินนั่งนอนอย่างเรานั่งสักพักเราก็ต้องขยับเปลี่ยนดีๆอย่าบ่เพราะอะไรเพราะร่างกายมันทุกเนี่ยเราต้องรู้ไปด้โอ้มันทุกล้วนๆมันไม่ใช่ตัวเรามันทุกล้วนๆไงค่อยๆละความเห็นผิดไป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 ใจิตใจแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องเพ่งลมหายใจก็รู้นะจิตเป็นยังไงก็รู้เมื่อรู้มากเข้ามากเขต่อไปเราจะเห็นจิตโดยอัตโนมัติเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเบื้องต้นจะเห็นอารมณ์ยากอยากก่อนเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธพู่ปัาบขึ้นมาก็กิเลสทั้งหลายมันจะพุ่งขึ้นมาจากกลางอกเรานะขึ้นจากกลางอกในตำรา บ, บอกว่ามันขึ้นจากหักยวัตถุ ในอภิธรรมมหาทยาวัตถุบางคนก็ว่าหัตมหยายวัตถุอยู่ที่หัวใจแต่ว่านักปฏิบัติจะเห็นว่าจริงๆแล้วนามธรรมหรือความรู้สึกปุ่ดขึ้นตรงไหนตรงนั้นแหละคือ น, นิยามของมหาทยาวัตถุจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงหัวใจหรอกเราดูจากของจริงเอาความรู้สึกต่างๆของเรามันปุดขึ้นมาจากกลางอกนะแต่ว่ามีวิธีดูก็คืออย่าเป็นจ้องไว้ก่อนห้ามจ้องก่อน รอให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาค่อยตามรู้เอาการดูจิตดูใจเนี่ยจะต้องตามรู้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เช่นโกรธไปก่อนอัดใหม่ๆจะรู้อารมณ์อยางเช่นความโกรธความโกรธขุดขึ้นมาเราจะรู้สึกโอะโกรธละถ้าโกรธแรงนี้ขึ้นหน้านะเลือดเลือดขึ้นหน้าเลยหน้าแดงหน้าร้อนตาโลเนเหมือนมันพุ่งขึ้นมากระทบเต็มร่างกาย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 ก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานอยากได้มรรคนิพพานต้องเห็นกายเห็นใจเห็นสภาวะจริงจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปดูจิตหลงไปฟังนะจิตหลงไปดมกลิ่นริมรสจิตหลงไปสัมผัสทางกายไปรู้สัมผัสทางกายจะหลงออกทางสว่างทั้งหกนั่นเองจิตหลงที่เกิดมากที่สุดคือหลงเป็นคิดสังเกตให้ดีขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเราลองสังเกตสภาวะนะ หากสังเกตสภาวะไปด้วยการพร้อมๆกันสังเกตไหมฟังหลวงข้อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปฟังสลับแกะคิดตัวออกไหมค่อยๆหัดสังเกตนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าคนไหนไปเพ่งให้นิ่งทําสมมติอยู่จะสังเกตไม่ออกหรอกเพราะว่าใจนิ่งแล้วสมมตมีประโยชน์ในแง่ทําจิตใจให้สงบแต่ถึงจุดหนึ่งขวางการเจริญพิปัญนาเหมือนกันเป็นพื้นฐาน แต่ว่าถ้าจัดการไม่ดีนะก็ขัดขวางมันทํำให้ทุกอย่างนิ่งผิดความเป็นจริงสังเกตไหมใจตอนนี้ฟูต้านและวดูออกไหมหนีไปคิดอุหมุดเลยดูออกทรกตเป่านี่ถ้าเรียนกลุ่มย่อยๆนะหลวงพ่อเขจะพาดูได้ทีละคนนี่เยอะเกินไปพาดูทีละคนไม่ได้พวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆยังง่ายหัดดูได้ทีละคนหัดรู้สภาวะได้นึ่ง การฟังหลวงพ่อเทศไม่ต้องกั ง, งวลเรื่องเนื้อหาสาระนะไม่จําเป็นต้องฟังให้รู้เรื่องหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อสอนให้หัดดูสภาวะแค่ น, นั้นเองนั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราหัดดูสภาวะได้เช่นเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่เดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็สลับไปคิดแต่ถ้าเราเห็นใจมันทํางานอย่างนี้ อย่างนี้ใช้ได้ละถือว่าประสบความสําเร็จในการเรียนขนงข้อแล้วไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้จิตรู้ใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่จิตใจของพวกเราเองต้องหัดเรียนรู้ที่จิตที่ใจของเราหรือเรานั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆ เ, เกิดความสงสัยเกิดงงฟังแล้วงงสภาวะของความงงเกิดขึ้นเรารู้ว่างงใช้ได้ละเราหัดรู้สภาวะใช้ได้ ฟังแล้วก็ลำคาญฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องวนไปวนมาฟังแล้วลำคาญรู้ว่าลำคาญใช้ได้แล้วนะเพราะงั้นฟังหลวงพอพูดไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ไม่ได้เรียกร้องให้ฟังรู้เรื่องถ้าฟังรู้เรื่องจะต้องฟังไปคิดไปถึงจะรู้เรื่องหลวงพ่อต้องการให้เราฟังแล้วก็รู้ว่าฟังรู้ว่าคิดรู้ว่าใจลอยไปเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าวงรู้ว่าสงสัยรู้ว่าหงุดหงิดลำคาญ ตอนไหนฟังรู้เรื่องหรือบางฟังหลวงพ่อพูดให้ตลกตลกจิตใจสนุกสนานขึ้นมารู้ว่าสนุกสนานขึ้นใช้ได้ครัเรียนธรรมะเรียนจัดตรงนี้นะเรียนจัดของจริงในใจของเรา <S <S ไม่มีใครสอนธรรมะไปได้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัว <S <S เรียนอยู่ที่กายที่ใจใกายกับใจเท่านั้นถึงจะสอนธรรมะเราได้ <S <S คนอื่นบอกได้แต่ทางนะบอกว่าหัดมาดูกายหัดมาดูใจสิ วิธีดูกายดูใจที่ถูกต้องทํำยังไงอย่าเน้นไปที่อื่นเสีอย่าเพ่งกายเพ่งใจให้รู้อย่างที่เขาเป็นบอกกันได้แค่นี้เองที่เหลือต้องทำเอาเองหัดดูใจของตัวเองแไปทําไมหลวงพ่อเน้นให้ดูใจตัวเองพวกเราในที่นี้ส่วนมากเป็นคนเมืองงานหลักของพวกเราคืกคิดแต่ละวันเราทํามาหากินด้วยการคิดเป็นส่วนมากพวกคิดคิดมาก เหมาะกับการดูจิตพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมาะกับการดูกายเพรฉะนั้นคนในเมืองเนี่ยหลวงปู่ดูลเป็นบอกหลวงพ่อไว้บอกไว้ตั้งแต่ปีสองห้าสองหกอยู่ๆท่านก็พูดนะบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองลมวพูดอย่างนี้เราฟังท่านแล้วมันจะรุ่งเรืองได้ยังไงไม่มีคนรู้จักการดูจิตเลย ไม่มีคนรู้จักมีแต่คนดูกายทั้งหมดเลยอย่างเกตแมกรรมาฐานทั้งหลายที่เราทำเนี่ยสำนักดูกายทั้งนั้นเราสํานักก็พิจารณากายอย่างที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านทํากันเราสํานักก็ดูท้องเราสํานักขยับมือนี่เรื่องกายทั้งนั้นบางสานักก็รู้ลมหายใจอย่างสายส่วนโมกแต่ถ้าจริงๆถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ใจนะมันไม่ใช่รู้กายอันเดียวแต่ส่วนให่ ช้าไปเพ่งกายเราไม่รู้ใจอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเดี๋ยวแน่นที่สุดคือใจนี่เองดังั้นปฏิบัติต้องให้เข้าถึงจิตถึงใจแล้วละความเห็นจิดว่าใจเป็นตัวเราได้นั่นแหละจะได้พระโสดาบัตไม่ยากนะไม่ยาแต่ก่อนงงว่าทําไมหลวงปู่บอกว่าการดูจิตจะรู้เรื่องในเมืองต่อมาเดี๋ยวนี้ไม่งงเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปและสังคมของคนสมัยใหม่ รีบร้อนนะลูกเรียลุกโลนแต่ละวันประเภทต้องกินอาหารก็ต้องฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเร็วๆเราไม่มีกําลังของศรัทธาเราไม่มีกําลังของวิรยิยะที่จะทาาเพียนมารู้กายได้เป็นวันๆทุกวันทุกวันนะทุ่มเทเวลาลงไปเหนื่อยยากมากๆปฏิบัติกันหลายหลายปีส่วนใหญ่คนไม่ค่ได้ลนะคนรุ่นนี้ใจร้อนนะใจร้อนกว่ารุ่นที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นนั้น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 ไหว้พระสวนมนต์ทำสมาธิเดินจยมลมการปฏิบัติในรูปแบบเคยทําอะไรต้องทําทําแล้วจิต ใ, ใจจะเข้มแข็งถ้าอยู่ๆจะเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดเดียวไปเลยนะจิตใจไม่ค่อยมีแรงพอมันจะเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงเพราะงั้นใครทําสมถะได้ก็ไม่ทิ้งใครมีรูปแบบของการปฏิบัตินะก็ไม่ทิ้งแต่ต้องรู้นะว่าขนาที่เรากาลังทําตามรูปแบบเนีย่ยขนาดนี้เป็นสมถะหรือวิปัสสนาต้องแยกให้ออก นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทําแต่สมนธะไม่ได้ขึ้นมิปัสนาหลายคนไม่รู้ว่ามิปัสนาคืออะไรจะด้ซ้ําต่หลายคนคิดว่ามิปัสนาคือการคิดว่ากายกใจเป็นไตรลมิปัสนาแท้ๆเลยการคิดไดปแล้วรูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุธเขา่อนท่านมาที่นี่บ่อยนะหลวงพ่อพุธในที่หลวงพ่อต้องมาที่นี่ก็เพราะหลวงพ่อพุธเคยสั่งว่าพวกเรา อย่าทิ้งสาราลุคินนะท่านสั่งมาอย่างนี้หลวงพ่อเลยไม่ได้รับนิมนต์ไปที่อื่นเลยนะมาที่นี่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านสอนบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจมีปรัชนาเริ่มเมื่อหมดความคิดครูบาอาจารย์เก่งนะสรุปออกมาได้อย่างนี้ปรัชนาเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเช่นเราอยากให้จิตสงบเราก็พยายามบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบเลย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 ต้องมีความสุขนะจิตถึงจะสงบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําสมาธินะหายใจสบายๆหรือดูท้องคลองยุบอย่างสบายอย่าจงใจให้มันสงบดูเล่นๆดูสบายๆแป่เดียวสงบนะี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้วิปัสนาเริ่มว่าหมดความคิดวิปัสนาคือการเห็นเห็นตรงความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงหลับใจที่เรายังคิดอยู่มันจะไม่ตรงความเป็นจริง เพรว่าเราเวลาเราคิดเลยย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆที่แบบมีอคติเราจะต้องทําตัวเหมือนนักวิจัยนะนักปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องทําตัวแบบนักวิจัยเอาความคิดความเห็นของตัวเองวางไว้ก่อนแล้วมาดูว่าของจริงเป็นยังไงต้องดูจากของจริงดูกายจริงๆสิมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันบังคับได้หรือไม่ได้ดูจากของจริง นะดูจิตเข้าไปสีเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้มันสายตลอดเวลาไม่เที่ยงให้ดูดอกมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูลงไปบังคับได้ไม่ได้ก็ดูง่ายนะอย่างจิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมาเราห้ามไม่ได้เราเลือกไม่ได้นี่ดูจากของจริงถ้าเรายังตราบใดที่เรายังคิดเอาเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงความคิดกับความจริงเป็นคนละสิ่งกัน เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงความจริงของกายของใจได้ต้องรูเอาต้องรู้สึกเอาคิดเอาไม่ได้ยกตัวอย่างนะอย่างพวกเราสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราฟังไปคิดไปตรงนี้ดูออกกันยังฟังไปคิดไปหลวงพ่อถามหน่อยเถอะที่ว่ารู้เรื่องนะ่ะรู้เรื่องเพฟังหรือรู้เรื่องก็คิดดูให้ดีนะรู้เรื่องก็คิดเอาเองนะสัง เ, เกตไหมถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรเลย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 เมื่ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นเราก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนไปให้เผลอเผอเผลอเอลืมความทุกข์ไปยืมลืมไปได้ยิ่งดีพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็ไม่อยากรู้เราอยากละไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนที่ท่านสอนเพราะฉนั้นเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆฟังค่อยๆสังเกตหรับใดที่เรายังรู้กายรู้ใจของจริงไม่ได้เรายังคิดยังเจือด้วยความคิดอยู่นีไม่ใช่วิปัสสนาแท้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 และจิตอีกดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่เราจะเห็นเลยจิตที่โกรธกับจิตที่รู้สึกกลัวเนี่ยคน ล, ละดวงกันะจิตไม่ได้มีดวงเดียวในจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะมีช่องว่างบางขั้นถ้าอย่างนี้เราจะเริ่มละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงจะเริ่มเราคิดว่าจิตเที่ยงนะรู้สึกไหมในตัวเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราตอนนี้กับเราในอนาคตก็คนเดิม นี่เพรเราไม่เห็นว่าจิตนี้มันเกิดดับนั่นต้องค่อยๆเรียนต้องค่อยๆศึกษาจนสติตัวจริงเกิอดอาจรู้สภาวะไปใจมันสุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้โลภโลกรธหลงก็รู้ตื่รู้อยู่ในชีวิตธรรมดานี้แต่ว่าต่อค่าอย่าลืมไม่พายสวนมนนะต์นะทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบไม่ทิ้งถ้าทิ้งแล้วไม่มีกําลังพอไหวไหมหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อเคยเล่าแล้วในซีดีมีครั้งที่หนึ่งละมั้ง ว่าหลวงพ่อปฏิบัติตอนเป็นคาราวาส์นะไม่แช่ปฏิบัติตอนมาเป็นพระปฏิบัติตอนเป็นคาราวาส์เหมือนพวกเรานี้แหละเร แ, แล้วก็เป็นวัยที่กําลังทํางานหนักเลยทํางานหนักแต่เงินเดือนน้อยอตื่นเช้าขึ้นมานะรับราชการตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งนี่คือการปฏิบัตินะจิตใจที่ได้เฉยๆพาคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตที่เฉยดับไป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 ความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏขึ้นมาคอยรู้คอยดูไปและความรู้สึกนั้นแหละจะสอนใจรักให้ดูเสร็จแล้วเอาไปอาบน้ำสมัยก่อนคนโบราณีนอาบน้ำในตุ่มสึงว่าวันนี้ฝนตกตอนกลางคืนหนาวใช่หรือว่าเป็นหน้าหนาวพอตาเรามองเห็นตุ่มน้ำใจจะรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกสดชื่นนะรู้สึกขยองใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหม Okay. ถ้าเด็กสมัยใหม่มนะีน้ำร้อนน้ำบุ่นอะไรนี้มันไม่รู้รสชาติของชีวิตนะเนี่อตามองเห็นตุ่มน้ำเนี่ยหใจมันสยองรู้ว่าสยองอาบน้ําขันที่หนึ่งนี่กลัวนะอันแรกตักน้ํายังไม่ทันสูนี่กลัวมากที่สุดถูกแล้วเนี่ยความกลัวเริ่มลดลงอันที่สองสามปีนี่ความกลัวความสยดสยองค่อยๆลดลงนะพอถึงไตท้ายๆเริ่มดีใจแล้วจะเสร็จแล้วดีใจพอ อาบน้ำเ็ดเช็ดตัวแห้งปุ๊บตัวจะอุ่นจะรู้สึกพอใจมีความสุขไหมจิตใจแค่อาบน้ำยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมแต่ทั้งเข้าห้องน้ำก็ทําได้น ะ, ะวันไหนเท้างูกไปนั่งตั้งนานนะไม่ได้ผลเนี่ยไม่สบายใจใช่ไหมเกิดได้ผลขึ้นมาดีใจรู้สึกไหมเขาถึงเรียกว่าห้องสุขาอถ้าประสบความสาเร็จแล้วเออมีความสุขน เ, เนี่ยฝึกไปอย่างนี้ เข้าห้องน้ำเนี่ยฝึกได้เยอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อทำงานทํางานนั่งคิดงานนั่งเขียนเขียนทีคอมพิวเตอร์ทําอะไรอยู่เนี้ยมีกราข้ อ, ข อ, ขอมูลเยอะแยะนะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี้ยเหนื่อยจะเด็กตัวเองวิธีเด็กตัวเองของหลวงพ่อนะถ้าอยู่แล้วก็เลิกไปนั่งอ่านหนังสือพิ้งกินกาแฟหัวหน้าจะดา่าหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ําไม่มีใครกล้าว่าเนี่ยเราจะไปห้องน้ำใช่ไหม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 เนี่ยพอความสุขเกิดปุ๊บนะสติระลึกได้เลยมีความสุขกลับมาดูจิตได้แล้วแม้แค่ไปฉี่เฉยๆกลับมาดูจิตได้ลนะเดินกลับมาทํางานนะเจอเพื่อนทักน์ทยคุยกันแหมสนุกสนุกความสนุกขุดขึ้นมารู้ว่าสนุกแนละ้วเดินกลับมาทํางานพอมาเห็นโต๊ะทางานเห็นงานเข้าใจเฉยๆนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆนะหรือถ้าขี้เกียจทํางานพอเห็นงานทุ๊บใจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อฝึกอย่างนี้นะฝึกได้ เต่กขึ้นรถเมก็ฝึกได้ไม่ได้ยากอะไรหลวงพ่อก็เป็นนักขึ้นรถเมล์นะ่เวลาตอนเช้าจะไปทำงานรีบๆออกมาเจอคนเต็มป้ายรถเมล์นี่ห้าร้อยคนจำนวนบาลีนะห้าร้อยเนี่ยถ้าเยอะกว่านี้ก็แปดหมืนสี่พันคนี่เจอคนห้าร้อยคนร่วมชะตากรรมไม่มีความสุขเกิดจิตใจไม่สบายใจเห็นเลยว่ามันไม่สบายใจ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 ความรู้สึกของเราเป็นยังไงรู้ไปอย่างซื่อซื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรตามมานะรู้ไปอย่างซื่อซื่อสูงๆไม่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทบนะครูเจ้าสอนพิสูจทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ตั้นท่านไม่ได้บอกว่าพิสูจทั้งหลายอย่าเห็นรูปพิสูจทั้งหลายเห็นรูปแล้วอย่าให้ยินดียินร้ายพิสูจทั้งหลายเมื่อยินดียินร้ายแล้วรีบละเสีย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 บนะางคนคิดว่าถ้าไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิน่นไม่ต้องได้รสเนี่ยจะดนะีถ้ามันดีจริงนะคนตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยจะบรรู้ทําเร็วคนหูหนวกนี่ตาบอดด้วยหูหนวกด้วยยิ่งบรรู้เร็วใหญ่กนะ็ลดไปสองอายุตนะถ้าเป็นโรคเรือนด้วยนะไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วนะไปลวกมือก็ไม่รู้เป็นโรคเรือนด้วยก็ยิ่งดีใหญ่หมดไปอีอายตนะหนึ่งนะถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงทฤษฎีหลีกเลี่ยงขักแย้เป็นจริงเนี่ย คนที่เป็นโลกเรือนแล้วก็ตาบอดหูหนวกจะบรรลุพระรหรสัสด่อนเพื่อนเลยเนะพราะลดผัดสะไปเยอะแล้วอีกพวกหนึ่งเป็นโลกเ อ, อนะ๋เป็นโลกเ อ, อ๋เ อ, อ๋ทั้งวันนะไม่คิดไม่นึกอะไรเ อ, อ๋เ อ, อ๋ไปเรื่อยๆนะพวกนี้เป็นพระรหัเรียบร้อยไปแล้วนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าหนีผัดสนะชาวพุทธต้องต่อสู้ต้องเรียนรู้ความจริงนะเราต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตตัวเองนะของกายของใจเนะี่ยอย่าหนีโลกอยู่กับโลกนี่แหละ ถ้าเรายังต้องอยู่ในเรือนในครอบครัวเราก็อยู่ในบ้านของเราออกมาอยู่ตามถนนเราก็มาปฏิบัตนะิทำได้ทั้งนั้นเลยอยู่ในที่ทำงานก็ปฏิบัติได้อยู่ในถนนเี่เราขับรถอยู่เนี้ยคนมาปาดหน้าเราเราก็โกรธเป็นธรรมเนียมนะต้องโกรธนะจะมาเห็นใจเขาคงจะรีบพ้อคงใกล้าตายอย่างนี้มันก็แกล้งไปนิดนึงนะ ถ้ามันปาดหน้าปุ๊บมันจะรีบไปไหนวะน่้องมีวะหน่อยต่อโมโหคนทั่วไปเนี่ยพอโกรธจะไปดูคนที่เราโกรธใช่ไหมนักปฏิบัติกลับข้างนิดเดียวพอโกรธรู้ว่ากําลังโกรธอยู่เตือนลงไปนิดเดียวไม่ต้องไม่โกรธนะโกรธได้แต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธแต่ว่ามีศีลห้านะอยา่าควักปืนไปยิงเขานะโกรธอยู่ในใจอย่าให้ล้นออกมาทางกายทางวาจาคือศีลห้าไว้ก่อน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 บอกว่านุ่มๆพอเห็นนางงามนะจิตมันชอบมันมีราคาเนี่ยคนทั่วๆไปพอมีราคาก็าจะไปดูนางงามส่วนนักปฏิบัติพระจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะแอบเราจะดูหรือไม่ดูล่ะไอ้นั้นเหตุผลส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรักยังโสดอยู่จะไปดูเขาหูก อ, อเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่อย่าให้เป็นแบบเห่าหรือบินนะเพราะฉะนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้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 สมถะวิปัชนามันต่างกันตรงนี้แหละสมถะเนี่ยฝึกเอาสุขเอาสงบเอาดีจิตตุ้งต้านพุโทโธพุโทโธหายใจหรือตุ้งต้านหนออะไรไปให้สงบได้สงบมิปัชนาฝึกเอาความจรงิงไม่ให้ฝึกเอาความสุขความสงบหรือความดีเลยความดีบิ่งนะแต่ว่าชั่วไม่ได้นะเพราะว่าเรามีสติอิเลชเกิดในใจเราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเราชั่วไม่ได้ศีลมันเกิดอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่เราฝึกให้เห็นความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้นี้ของชั่วคราวทั้งสิน้นสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวคนทั่วไปไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้พอมีความสุขก็อยากให้สุขนานแต่ความสุขจะสั้นไปเสมอรู้สึกไหมความสุขตั้งเกินไปแต่เวลามีความทุกข์นะคนทั่วไปก็อยากให้มันหายไปความทุกขนะ์น่ะยาวเกินไปเสมอนะยกเว้นพวกจิตใจจิตปกตินะ บางคนนี่ก็คิดอะไรเศร้าๆแล้วแม้มันสะใจลึกๆสาวๆเป็นกันเยอะนะถ้าไปคิดเรื่องเศร้าๆแล้วตัววิญญาณนางเอกอ่ะคิดให้มันเศร้าๆแล้วโอ้มีความสุขแสบๆคันๆเนี่ยถ้าจิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปนะรู้ลงไปรู้จากของจริงแล้วทุกอย่าง่ะสอนธรรมะเราสอนว่าเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยถ้าใดปัญญามันแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดเราดับเนี่ยถ้าโสตปัญมีปัญญาแค่นี้เองถ้าโสตปันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะ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 หลายคนมาฝึกต่อลงข้อพักหนึ่งนะก็มารายงานมีมาบ่อยๆนะมีแทบทุกงวันว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ขันห้ามันกระจายออกไปเห็นเลยรูปตัวส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอีกส่วนหนึ่งตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วเข้าดูแากของจริงนะจนจะทั้งเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าอย่าไปนึกเอาเองนะว่าได้โสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้ เวลาจิตตัดสินความรู้ไม่ใช่วูบลงไปหมดสุติแล้วก็บอกว่าได้ธรรมะนะอ น, นั่นหลายคนเข้าใจผิดแล้วนั่งภาวนาปุ๊บบรรลุแล้วนะถ้าวูบครั้งนี้อีกปีหนึ่งอ๋อบรรลุสองปีได้ตกทิทาคาแล้วนะหรือวูบครั้งที่สาม น, นาคาคละคาสังนะนั่นไม่ใช่ของจริงนะเวลาที่จิตเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิต หลายคนคิดว่าตอนที่เกิดมาเกิดผลไม่มีจิตคิดว่าต้องไม่มีขันไม่มีขันจริงๆขันมันก็อยู่ส่วนขันนั่นแหละแต่จิตมมีคุณภาพมากมันเป็นเห็นนิพพานเข้าแล้วจิตไม่ได้ยึดถือจิตไว้แล้วจิตกับ น, นิพพานเป็นคนละอันกันเวลาที่อริยมรรเกิดมีจิตเรียกว่ามรรคจิตเวลาผลเกิดมีจิตเรียกว่าผลจิต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 มันเป็นพุกเป็นอนัตตาอีกชั้นหนึ่งมันจะวางมันจะวางได้หลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อพุธนะหลวงอพุธตอนนั้นเดือนกันยาปีสองหกหลวงพ่อไปหาหลวงพู่ดูนท่านสอนธรรมมาหลวงพ่อนะสอนสอนสอนเลยเปนท่านหอบเลยท่านอายุเก้าสิบหกนแก่มากแล้วไม่ไม่ค่อยสบายแล้วท่านหอบแท๊แกแท๊กกเลย หลวงบอกหลงปู่หลวงปู่เหนยแล้วผมจะกลับแนละ้วไม่จะกลับเหลอยังกลับไม่ได้จําไว้นะท่านไม่ได้สอนมาให้เข้าใจนะท่านบอกให้จําไว้นะพวกผูร้รู้ให้ํทหลายผู้รู้นะจําไว้ครับผมจะจําเออจําไว้แล้วไปไปได้ล้วไปนอนอยู่สุดินคืนหนึ่งเช้ามาแวะโบราณเจดกพ่อคุณเรางพ่อพุธก็ถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไร หลวงพ่อเวลาไปหาหลวงปู่ดูลี่ยอ่านกลับจะแวหาหลวงพ่อพุททุกครั้งท่านจะถามถามนะท่านไม่รู้ชื่อหลวงพ่อหรอกนะท่านไม่เคยบอกท่านแต่ท่านจะเรียกว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนว่าพ่คผูรู้ให้ทำลายผู้รู้ถ้ายังพ่อผู้รู้แล้วยึดผู้รู้นะไม่บริสุทธิ์ยันแท้จริงหลวงพ่อพุทธเอก็บอกเนี่ยท่านที่เพิ่งไปกราบหลวงปู่ดูลนมา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 คุณกับหลวงพ่อมาทํากติกาตกลงกันนะใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันคือท่านจะแผนที่ท่านจะบอกว่าถ้าหลวงพ่อทําลายได้หลวงพ่อจะสอนคุณท่านไม่พูดเองเพราะว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู ด, ดูลอาวุโสวัดนั้นหลวงพ่อก็ปฏิบัติมาเรื่อยนะไม่เห็นมันจะทําลายได้สักทีเลยนะแต่ละวันมีแต่กิเลสท่วมบัวชนะกิเลสเยอะแยะยเยอะแยะไปหมดเลยวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กิเลสเกิดเยอะแยะกูสลไม่ค่อยมีหรอก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 อกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานแนละ้วรวมปิดปีไม่เจอท่านเพราะท่านไม่ได้อยู่วัดท่านหลบไปอยู่ที่อื่นท่านเป็นมะเร็งบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแนละ้วบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทําลายจิตผู้รู้ไม่ได้เลยคราวนี้ท่านแสดงธรรมาหน้าฝั่งนะอาหารมากเลยฝังแล้วเรารู้กลุ่มทำหมู่ท่านเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เนี่ยเหมือนฟองไข่ เมื่อใจจิตคือลูกไก่มันเติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทาลายเปลือกออกมาเองเพราะฉะนั้นจริงๆหน้านที่ของเราก็คือหัดรู้กายหาดรู้ใจไปเลยแต่ถ้าถึงขั้นสุดท้ายมันจะมารู้ตะลุมบอลอยู่ที่จิตที่ใจเองเจอทังจิตใจมันมีปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นว่าจิตนี้มันมันไม่ใช่ตัวเรามานานแล้วละ่ะมันไม่เตี้ยงมันเป็นตุ้กเป็นอนาาตัตตาแต่มันแอบยึดไว้ธรรมดาของจิตใจมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย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 เป็นขั้นหนึ่งการทำลายความยึดถือเป็นอีกขั้นหนึ่งโคละขั้นกันรู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่าห่วงเอาไว้ก็คิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าเราหัดดูกายหัดดูใจมากเข้ามากเข้าปัญญามันแจ้งขึ้มนมากายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะเออเพราะมันทุกข์ล้วนๆนี่มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเพระเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกข์พอรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะปล่อยขันห้าจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้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 ผมควรแกเวลาแล้วมั้งสี่โมงอะไรนะแค่โมงสิบห้าเงหรอหลวงพ่อรู้สึกเพลเสนเลยน้าเชิย์อ๋อคนนี้หวังดีเราไห้หลวงพ่อฉันน้ำกอนกลับนสัส ก, การ์พระอาจารย์ค่ะคืออยากจะเรียนถามนะคะว่าเวลาที่เราเผลอเผลอ ร, รู้สึก ไปเนี่ยะรู้สึกตัวไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีจิตแบบเหมือนมาเตือนว่าเราเผลอไปแล้วนะะเนี่ยทําไไม่ทราบว่ามันเป็นจิตปรุงแต่งหรือว่าเป็นอะไรค่ถ้าสติตัวจริงเกิดเวลาเราเผลอไปนะแล้วสติเกิดเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้เผลอไปแล้เมื่อกี้เผลอนะไม่ใช่ตอนนี้เผลอนะอืหรือว่าจิตเราโกรธแล้วพอจิตมันโกรธไปแล้วสติเกิดเนี่ยมันจะระลึกได้ว่าเมื่อกี้โกรธไปแล้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 บางคนมีนะเมื่อวานไปโกรธกับเพื่อนไิดาเพื่อนมานะวันนี้กลับมาบ้านแล้วก็มาคิดทั้งคืนเลยแหมไม่น่าโกรธเขาเลยนะตอนนั้นถ้าเรามีสติก็ดีนะเราจะได้ไม่ไปด่าเขาโง่อีกละคือตอนนี้กําลังคลัลําครวญไม่มีสตินั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานโกรธเขาเกิดระรึกได้ว่าโกรธเราลึกได้ว่า ก, กํากลังเสียใจอยู่นี่ได้คะแนนแล้วนี้ใช้ได้ดูตามหลังไป แต่ว่าอย่าจงใจมากอย่างจงใจเยอะไปนิดหนึง่งถ้าจงใจเยอะไปใจมันจะไม่ปลบลงนะจะแข็งคือแล้วเวลาที่เราไปเห็นสภาวะแล้วห้ามไปบังคับให้ติดบังคับอยู่นิดหนึง่ง mm hmm. เช่นพอรู้ว่าเผลอไปปุ๊บไปดึงคืนมันถ้าไปดึงคืนมานะมันจะแน่นแน่นไปดูตรงนี้นะรู้แล้วจบแค่รู้อย่าไปยุ่งกับมันกลับนมัสการค่ะ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 จิตใจที่ปิดกุศลไม่เจือด้วยกิเลสจิตที่เป็นกุศลมีความรู้ตื่นเบิดบานสงบตาสว่างจิตใจที่เป็นกุศลนะนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแต่ว่อ ง, องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สึมไม่ชื้นฉะนั้นเมื่อเกิดสภาวะใดๆแล้วสงสัยว่ามันเป็นอะไรแน่เมื่อกี้เป็นอะไรแน่ดูสังเกตที่ใจเราแต่เราเป็นยังไงแข็งแข็งไหมนักหนั ก, นกไมถ้าหนักหนักแน่นๆแข็งแข็งสึมๆึมชื้นชเมื่อกี้ผิดแน่นอน แต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้กําลังผิดอยู่เพ อ, อมัวไปทบทวนถึงอารมณ์ในอดีตนึกออกไหมเพราะนั้นถ้าเราเกิดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเกิดสงสัยเอ๊ะที่ทํำตะกี้ถูกหรือไม่ถูกนะถ้าเรารู้ว่ากําลังสงสัยอยู่อดีตช่างมันเทิงเป็นอดีต จ, จบไปนานแล้วรู้ท่านปัจจุบันว่า ก, กําลังสงสัยอยู่ได้คะแนนมะวิเศษที่สุดเลยให้การปฏิบัติรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆติดบังคับเยอะไปนิดนึงตอนนี้ลดการบังคับลง อย่าบังคับไม่เลิกรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตใจไม่ปลอดโปร่งอย่าเพี้ยงใส่มันสิลืมเรื่องปฏิบัติได้ไหมเหรรัเรียนเรียนถามว่าตอนปฏิบัตินะคะคาบริกรรมมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคําบริกรรมเป็นเป็นแท็กติกนะเป็นกลวิธีเฉพาะตัวผูู้บาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านให้บริกรรมตนะั้งแต่ต้นจนจบเลย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 ต้องการหัดรู้สภาวะอตอใช้ได้แต่ว่าพอฝึกถึงจุดหนึ่งมันจะไม่บริกรรมแล้วล่ะถ้าสติตัวจริงเกิดนะมันเหนือคำพูดเจ้าคุณนอท่านเคยได้ยินชื่อไหมเด็กส่วนใหญ่เกิดไม่ทันท่านะ่ะท่านเจ้าคุณนอท่านเคยสอนบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนั้นตัดัดใดที่ใจเรายังคิดนึกปรุงแต่งได้อยู่ยังไม่ใช่ตัวแท้ๆของมัน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 ฉะนั้นในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นตรงนี้เป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าโกรธตรงนี้แหละได้ปฏิบัติล้วหน้าที่ของเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่เห็นความเกิดดับของเขาไม่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยดูจากของจริงนะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นเป็นอกุศลนะรู้ว่าโกรธเป็นกุศลถัดจากนั้นแทนที่จะไปดูความเกิดดับของเขาตามที่เขาเป็นไปบริกรรมซะแทน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 ดูท้องของยุบก็เห็นเลยท้องมันพองท้องมันยุบนะที่รูปมันพองรูปมันรูปมันยุบใจเป็นคนดูไม่หัดให้มันมีจิตกับอารมณ์อารมณ์แปล ว, ว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้แยกสองงานนะหัดแยกไปได้เลยอันนี้สอนเฉพาะตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องไปหัดแยกน ะ, ะเวลาเรียนธรรมะพอเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันสับสนธรรมะอันนี้มันเหมาะคนคนนี้ไม่ได้เหมาะกับคนอื่น คนตั่วไปนะหัดดูความรู้สึกในชีวิตธรรมดาไปของคุณมันติดสัมนะทาเพราะฉะนั้นไปดูให้มันมีตัวรู้ขึ้นมานหนึ่งดูออกไหมมีคนหนึ่งเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนแั้วถูกดูนี่หัดแยกไปอย่างนี้นแยกไปด้ว่อยจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไปความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุก ข, ข์ไม่ใช่ตัวเราเอง เาไปกูศูน่ะกูรูสนเช่นโรคปวดหลงอะไรเกิดขึ้นก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอีกจนสุดท้ายเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดตัวจิตเองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูได้นะไม่ใช่ตัวเราอีกอันนี้เฉพาะตัวนะไม่เกี่ยวกับตัวอื่นนะเดี๋ยวเอาไปลองทําแล้วยิ่งสับสนหนักกว่าเก่าดับนรัตการเขาที่จะเล่นถามพระอาจารย์ว่า สติคือความระลึกได้เราก็ฝึกโดยการตามรู้กายใจให้จําสภาวะได้ <S 1> <S 1> กั บ, ก, บกับตัวสัญญาสติกับสัญญาเป็นตัวเดียวหรือเกี่ยวข้<ช><ม>องกันครับถ้าใส่กันถ้าใส่กันสัญญาเป็นตัวไปรู้แล้วก็ไปทําความเข้าใจไปหมายว่าตัวนี้คือ น, นี้ตัวนี้คือ น, นี้แต่สติจริงๆพอถึงขั้นละเอียด น, นะมันแค่เป็นทำมาสัญญาไม่รู้อะไรนะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็สิ่งนั้นดับเกิดระดับ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 คิดรักสัญญาจําได้อย่างแม่นยํำจําได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องดูบ่อยๆเราถึงจําได้อย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วมันก็ชื้อๆไม่มีอะไรให้ดูดูความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการฝึกนี้ก็เหมือนกับเราตอนแรกๆนี่จิตเราก็เหมือนกับเด็กใช่ไหยครับเราสั่งให้เขาทําก่อนจนกระทั่งเขาเขาสามารถทําของเขาได้เองได้ใช่แล้วเราเชื่อเพาะว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอก ก็เด็กคนนั้นก็คือเด็กคนนั้นเราต่างมันไม่ได้จริงหรอกเนี <L> ่ยสุดท้ายจะเห็นอันนี้นะตัวเราไม่มีค่ะมณัสการหลวงพ่อนะคะค่ะคือคือรู้สึกว่าสมาธิดีตอนขับรถนะคะพอขับรถที่ไรสมาธิจะดีและจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองได้ง่ายอะคะ่ะแต่ทีนี้เวลาพอพอรู้ทันเนี่ยมันจะหยุดคิดทันทีเลยนะคะไม่สามารถให้คิดต่อไปได้เหมือนกับว่าไปหยุดมันเลยะคะ่ะทีนี้แล้วเวลามันดีแล้วมัน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 ผมมีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์นิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดผมก็รู้บอเอเดี๋ยวก็องไล่ออกมัวแต่รู้มันคิดไม่ได้รู้กับคิดน่ะสัตว์รู้กันนะนี่ความคิดน่ะมันไม่ใช่ของแท้ความคิดมันคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างงั้นเราเลยเอาความคิดมาทำนิพพานไม่ได้ต้องเอารู้แต่รู้แต่คิดโบรานกันเนี่ยคือคำตอบที่คุณข้างหลังถามไปเทยอะว่าเราบริกรรมบริกรรมก็คือคิดนั่นเองคนละตัวกัน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 มันไม่ใช่สักว่าเห็นสักว่ารู้คําว่าสักว่าหายไปเลยนะกลายเป็นการเพ่งลูกเดียวเราต้องระวังนิดหนึ่หรือดูจิต ด, ดูใจแล้วไปเพ่งจิตก็ผิดนะไม่ใช่ว่าคนไหนดูจิตแล้วจะถูกตลอดนะคนดูจิตแล้วถูกก็มีน้อยนะคนดูกายแล้วถูกก็มีน้อยเหมือนๆกันแหละดูกายก็ชอบไปเพง่งกายดูจิตก็ไปเพ่งจิตวิธีเพ่งจิตก็คือเป็นเฝ้าดูรอดูซีว่าเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไปดักดูเป็นรอดูดักดูรอดูใช้ไม่ได้นะ ต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้หน้าที่เราขับตัวสบายเหมือนเด็กดูเด็กข้างบ้านนันตนไม่ใช่ลูกเราไม่ต้องไปจับตาดูมากนานๆชั่งเลืองบันทีนึงเดี๋ยวมันมันได้ยินเสียงมันร้องไห้จ้าใึ้มันค่อยหันไปดูอ๋อไปถูกหมากัดมาแล้วอะไรเนี้ยไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไม่ใชนั่งเฝ้าจิตนะนั่งเข้าอย่างเงี้ยนะเข้าทั้งวันเลยนะหรือจ้องอยู่ที่กลางหน้าอก้ยจ้องเราจ้องเอ า, อเอาไม่ใช่นะ ถ้าทำอย่างนั้นก็กลายเป็นการเพ่งนั่นเองรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันนมาส ก, การเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าจะประคองจิตเอาไว้ไม่ให้เป็นอกุศล น, นะเจ้าค่ะถูกต้องเลยนะไม่ต้องแก้ไขแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องแก้ไขแต่ให้รู้ว่าประคองเอาไว้เจ้าค่ะเราประค อ, องเพราะกลัวอกุศลไม่ถูกไหมแต่การที่เราอยากประค อ, องคือโลภะกลัวอกุศลนั่นคือโทสะ เพราั้การตัดทองเนี่ยทําด้วยด้วยกิเลสนั่นแหละกลัวกิเลสจกนกระทั่งเกิดกิเลสไม่ห อ, อกไหมอย่ากลัวมันมากถ้าเรากลัวศัตรูนะเรายิ่งแย่นะอย่ากลัวมันเราอยู่กับกิเลสมานานแล้วอยู่อีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเอามันมาเรียนอนะ่ะคือปกติมันจะเป็นความรู้สึกเศร้าขึ้นมาเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เจ้าก็เป็นกิเลสตัวนึงคือโทสะเจ้าค่ะโทสะแล้วก็ดูมนันแหะเจ้าค่ะ ให้รู้เฉยๆรู้อย่างสบายใจดูเอไอคนนี้มันมีกิเลสนะไม่ใช่เราดูมีกิเลสนะดูเหมือนเห็นคนอื่นมันมีกิเลสแต่ถ้าดู ถ, าถูกตภาวะก็จะรู้สึกว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรหรอกแต่เบื้องต้นจะรู้สึกก่อนก็ได้นะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นมีกิเลสอนะ่ะไม่ใช่เราดูกิเลสเอาตัวออกมาอยู่ต่างหากสะก่อนการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูอยู่แบบไม่มีส่วนได้สูญดูอยู่ห่างๆ ดูเหมือนคนดูบอล น, น่ะนักดูบอลเนี่ยจะต้องไม่ไปยืนอยู่กลางสนามฟุตบอลใช่ไหมเดี๋ยวถูกรวมเท้าเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันอย่าถลํา ล, ลงไปจ้องใส่กายใส่จิตดูอยู่ข้างเวทีเหมือนดูละครอยู่ข้างเวทีดูบอลอยู่ข้างสนามดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆไม่ต้องไปช่วยเ้าทําอะไรนะใช่เขาเตะมาฝั่งนี้โดดตะครุบส่งให้อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของผู้ทำพิธีศาสนาเนี่ยรู้ไป รู้แบบไม่มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ามีกิเลสอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติพอกิเลสเกิดบ่อยๆมันเศร้าใจรู้ว่าเศร้าใจจะเห็นเลยนี่จิตทํางานมาทั้งหลายแบบแนละ้วไหมจิตไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่ได้ปฏิบัตเบิเอาสวบเอาดีเอาสุขนะปฏิบัติเอาความจริงให้เห็นในทุกอย่างทุกเรื่องกราบมิสการเจ้คาค่ะ โยมเกิดอาการปวดศีรษะอยู่นึงๆโดยเฉพาะเวล า, านั่งฟังทางหรือแม้กระทั่งตอนนี้คือดูทีวีหรือทำอะไรที่ อ, อยู่นิ่งๆนะเจ้าคะอยากกลับริ่นถามท่านว่าเกิดจากอาการเพ่งจ้องหรือไม่แล้วมันฝึกเพ่งมาแรงแต่ฝึกบังคับตัวเองอะบังคับจะเป็นเครียดนะวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ต้องใจถึงนะเลิกปฏิบัติไปได้ไหม ก็ถ้ามันปฏิบัติผิดนะที่ไปปฏิบัติมนทําไมล้มกระดานนะตั้งต้นใหมา่ลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วก็ดูทีวีไปมันตลกนะหัวล้อมันไปเลยขำแล้วก็รู้ว่าใจมันขำเนี่ยหัดเริ่มต้นใหมา่ล้มกระดานไปหลวงพอเคยแก้คนติดสมถะอย่างแรงๆ แ, แบบติดจนแทบพิการเลยวิธีหาทางแก้สารพัดวิธีเลยแก้ยาก ที่ง่ายที่สุดนะเลิกมันไปนเลยแล้ว เ, เริ่มต้นใหม่คล้ายๆมาดตานี้เล่นยากแล้ว mm. เล่นยากแล้วเล่นใหม่มมมมยังยงจะเริ่มเริ่มต้นยังไงนะจ๊ะยงเริมปฏิบัติได้ไหมร้องเพลงเป็นไหมเป็นจ๊ะ <c oughs> กลับบ้านนะร้องเพลงเป็นเพลงหนึ่งก่อน mm. เอาให้คนที่บ้านตกใจไปเลย mm. อย่าทําตัวให้เครียดนักปฏิบัติต้องร่าเริงนะ mm. ในสมัยพุทธกาลเนะี่ย มีคนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผม่อาจับไม่ได้เขาไปแล้วไปทูลพระพุทธเจ้าบอกหน้าอัศจัญพิสูสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ชมนะว่าพิกษุดของพระองค์สงบแต่เคร่งเครียดนะสงบแต่ร่าเริงน ะ, ะเพราะ่าไรเพรจิตที่เป็นภูมนะิสนมันมีความร่าเริงจิตที่เครียดมันคืออาภูมิจิตนี่ทําไมมันเกิดจิตที่เครียดได้เพราะาเราเกิดโลภก่านเราอยากปฏิบัติ พอเราคิดถึงธรรมะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติภาษาไทยแต่ว่าทำสิ่งที่เราทําไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองไม่บังคับกายก็บังคับใจเนี่ยทำเป็นชาติของกาปฏิบัติชอา บ, บังคับควาจริงปฏิบัตินะแปลว่าถึงเฉพาะเนี่ยท่านอาจารย์มหาปจวประทานแปลให้ใหฟังปฏิดดเฉพาะปฏิท่านใส่คำพุทธาธตัวด้วยแล้วาแต่ว่าถึงคือเข้าไปรู้เฉพาะหน้าเพราไปอย่างที่มันเป็น นี่เราคิดว่าปฏิบัติคือการบังคับกายบังคับใจจะททำให้มันเครียดขึ้นมาความจริงก็คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปเรื่อยรู้เล่นเล่นรู้บ้างเผลอบ้างอย่าต้องรู้ตลอดนะรู้ตลอดเครียดเราปฏิบัติเพื่อวความค้นทุกไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์มากขึ้นมีหลายคนนะเออขอแถลงการหน่อยนะให้ดูทันสมัยหน่อยมีแถลงการ คนไหนหนะ้าญาติที่น้องไปภาวนาจนเพี้ยนแล้เนี่ยไม่ต้องพามาให้หลวงพ่อแก่นะแก่ไม่ไหวหน้ามันเยอะเอาคนที่ยังไม่เพียยนอะ่ะวันที่เพิ่งหัดน่ะนะเพิ่งหัดมาฟังให้รู้เรื่องแล้วมันจะได้ไม่เพียนหลายคนนะเวลาเดินมาหาหลวงพ่อเดินมาท่านย่านี้ยมันไม่ไหวแล้วนะหมอที่ศรีสัญญาเขาเขียนรีพอร์ตไ้อ่านไปอ่านอ่ า, อาแล้วตลดใจนะ บอกเขาไม่ชอบพวกนั่งปฏิบัติหรอกมันทให้เพิ่มปริมาณคุญบาทําทไมมันบ้าได้ถ้ทั้งที่ฝึกสติสติกับบ้ามันน่าจะกลับข้างกันในชะ่มเพราะไอ้สิ่งที่ฝึกไม่ใช่สติสติสิ่งที่ฝึกคือฝึกบังคับตัวเองจงกนกระทั่งเครียดบังคับกายบังคับใจฝึกจนเครีย ด, ยกก เ, ยดเอาโยมเหลือๆไปบ้างนะรู้สึกไหมตอนนี้สบายกว่าเมื่อกี้เออเนี่ย รู้สึกไหมเริ่มไม่สบายอีกแล้วเ ร, เริ่มอเริ่มอัดกลับเข้าไปนะดูออกไหมอัดเข้ามางี้นะเพื่อให้ดูเป็นนักปฏิบัตินะไม่เอานะใจถึงถึงนะเจอหลวงพ่อก้าหารโยนมันทิ้งไปเลยคือถ้าเราปฏิบัติแล้วมันผิตธรรมดานะเช่นบางคนปฏิบัติแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรมั่วตั่วไปหมดนะหยุดเถอะทําผิดแล้วอยากขยัน เรียนให้รู้เรื่องนะฟังให้รู้เรื่องฟังไปฟังหลวงพ่อเนี่ยต้องฟังประมาณสองสามครั้งรู้ิียำปีแต่ปียำปีนะฟังไปฟังสองครั้งสามครั้งแล้วไม่คิดมากนะจะรู้เรื่องถ้าฟังเราก็คิดเอ๊ะทำไมองค์นี้ว่าอย่างโน้นองค์โน้นว่าอย่านี้พ่อขององค์โน้นว่าอย่างนนาาง้นต่ อ, นอปีนะอแล้วเราฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหรอกสังเกตไหมตอนนี้หลวงพ่อแกล้พูดให้ตลก ใจของเราคลายดูออกไหมใจเราคลายออกสังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มนิ่งอีกแล้วดูออกไหมเนี่ยอัดดูไปอย่างเนี้ยดูจักของจริงๆนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยจิต ใ, ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมัน เ, เองได้สารพัดเลยเอาคุณมนส่งกันบ้านไหมอะไรนี้หลวงพ่อถามเพราะรู้ว่าไม่กล้าพูดเอาคุณพุทธมีอะไรไหมอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนะครับ คือบางทีอยู่เฉยๆแล้วเหมือนเนี่ยมันจะไปรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยฮะไม่เป็นไรอยู่เฉยๆจิตไปรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตไปรู้ลมหายใจจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ว่าจิตหนีไปจากลมหายใจอันนี้คือสภาวะอะไรอ่ะครับสภาวะติดสมถาสิติด ร, รมถะ <c oughs> คืออยู่มันมันวิ่งเข้าไปหายเองใช่ไหมครับเอ้ามันเคยชินเคยชินที่มันเกาะที่เนี่ยถึงเวลาก็ไปเกาะแต่ไม่เสียหายนะอะถ้าเดินปัญญาต่อดได้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 อะไรนะเออหลงไปคิดอให้รู้ว่าหลงไปคิดจิตเห็น ไ, ไหมจิตนี่เป็นของห้ามไม่ได้จิตใจคิดมันก็หลงไปคิดห้ามมันไม่ได้ไม่ได้ฝึงห้ามนะคนโบราณเราเก่งนะบัญญัติศัพท์อะไรแต่ละคำเนี่ยมันสะท้อนว่าบรรพบุรุษคนไทยเนี่ยเชี่ยวชาญในการดูจิตมากเลยเรามีศัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจเยอะแยะเลยคำว่าอึดอัดเนยะรู้สึกไหมเออมันอึดขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะไปอัดมันไว้ เราดูนะดูสภาวะจริงๆอดูเข้าไปเถอะเพราะฉะนั้นอยู่ๆจิตวิ่งไปหาลมหายใจก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตเคยไปจิตก็ไปไม่ห้ามมันอะไรายิบอะไรยับรู้อาาะไรยิบอะไรยับคือความปรุปแงแต่งเนี่ยพอมันละเอียดเข้าไปนะจะไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในใช่ไหมไหวยิบยับยิบยอยู่ข้างหนหลวงพ่อก็เป็น แต่ตอนนั้นมันไหวอยู่ต้องเดือนไหวยิบยับยิบยับเดือนกว่าจนเหนื่อยนะเพราะมันมีอย่างอื่นเรามีแต่ยิบยับยิบยับวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธหนึ่งค่ะแล้วถ้าตื่นนอนมาแล้วก็เห็นเป็นเป็นอะไรยิบยับแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนมีอะไรเกิดดับเกิดดับนั่นแหละดีแล้วปฏิบัติไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่ผิดปฏิบัติถูกนะถึงเห็น <c oughs> แต่ว่าต้องระวังอันหนึ่งอย่าถล่มลงไปดูมัน พอเห็นแล้วเราก็ปล่อยวางเราไม่ใช่ปล่อยวางด้วยการหนีไปเนี้นเราก็เห็นยิบยับอยู่โน่นเราอยู่นี่นี่ต้องอย่างนี้ดูไกลๆอ่าดูไกลๆไม่ใช่อย่างนี้นะนี่นะอ่หรือเปล่าใช่ไหมค่ะส่วนมากจะชอบหัวเขมำเข้าไปอะอย่างนั้นผิดดูห่างๆดูห่างๆแล้วก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วบางทีก็เห็นเป็นน้ํามันไหลไหลๆไปเห็นเป็นรูปไหล่ป่ะ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 มันน่ากลัวกว่าน้ําไหลนะจะมีมือยื่นกันจากน้ําจริงผมนั่งผมไม่ได้ภาวนาครับผมกม็บรรลุหายใจรู้สึกกเวลาให้ใจเข้าออกเฉยแล้วตอนนี้เราก็มาดูที่กายว่าเรากำลังนั่งอยู่ให้เรารู้สึกตัวอย่างนี้จะถูกต้องนะครับเป็นเบื้องต้นทําอย่างนี้ก็ได้นะแต่พอสติตัวจริงเกิดเนี่ยมันจะระลึกโดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจจะดูมันลึกขึ้นมาได้เช่นเรากาลังเผลอๆ อ, อยู่เราเห็นเพื่อนเราเดินมา เรขยับเท้าแล้วขยับปุ๊ะจะไปคุยกับเขาเนี่ยพอร่างกายไหวปุ๊บสติเกิดเลยอ๋อเมื่อกี้เบื่อไปแล้วทีนี้ขณะที่เราเราดูกายของเราอยู่เนี่ยนะบางทีว่าพอาติดคิดแล้วก็บอกว่านี่ส่งออกแล้วอย่างนี้ได้นะครับว่าจิตส่งออกแล้วเอตรงที่รู้ทันว่าจิตส่งออกเนี่ยใช้ได้ตรงที่คิดเนี่ยเกินรู้ไปนิดหนึ่งแล้วอ๋อครับ เขต้องรู้รู้โดยธรรมชาติไม่ใช่รู้ตามธรรมดาคิดไปเรายังไม่รู้พอรู้แล้วออสมออกแล้วอแล้วก็นึกนึกว่านี่สมออกแล้วหรือว่าแ ล, วแล้วแค่นั้นนะอย่าไปดึงไว้นะอถ้าเพื่อสมออกแล้วไม่ดีเอาคืนจะแน่นๆครับของโยมจะบังคับนิดหนึ่งรู้ไหมจิตใจมันจะนิ่งๆอยู่นิดหนึ่งมันนิ่งเกินจริงอยู่นิดหนึ่งขนาเนี้ขนาดจิตนี้ขนาดนี้ รู้สึกไหมตอนนี้มันแข็งแข็งอยู่นิดนึงครับรู้สึกอให้รู้นะคเพราะเราไปบังคับมันทีนี้ขณะที่เราเกิดอะไรขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเอ๊ะมันขุ่นมัวแล้วก็มาดูที่จิตเราอ๋อ <granny. S 2> ตัวนี้กลังโกรธหรือไม่โกรธหรือเป็นกลางกล้วอเลย Shim เนี่ยเราดูตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ผูถูกรู้มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดคมไม่ไม่ต้องไปคิดช่วยมันไม่ต้องไปคิดช่ยอาก็ยมเห็นสภาวะแล้วอย่ายไปคิดช่วยมันนะให้สภาวะมันสอนธรรมะเราเราอย่าไปสอนมันครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นมันคิดคิดขึ้น ม, มาแล้วมันโกรธขึ้น ม, มารู้ว่าโกรธไม่ต้องไปปัรยายไปหรอกนะแค่รู้ก็พอแหละครับรู้เฉเฉยรู้เฉยเนะถ้าบัญยายเดี๋ยวจะต่อด้วยการให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพอให้ค่าแล้วก็จะบังคับเริ่มบังคับครับเหมือนเมืนกัเราไปตามภาคว่าอ๋อตัวนี้กำลังเออไม่ภากนะภาคเสียวเวลาครั บ, รบเพราะว่าขนาดจิตที่รู้กับขนาดจิตที่ภาคเนี่ยคนละขนาดกันละ ขณะที่ภาคเนี่ยตกจากการรู้แล้วตกอากวิปัสนาละแต่ถ้าจิตจะภาคเองห้ามไม่ได้บางทีจิตมันก็ภาคเองหลายคนปฏิบัติแล้วจิตภาคทั้งวันห้ามไม่ได้นะดีภาวนาเก่ง อ, อสมควรก่เวลาละครับมีสมควรแล้วหลวงพ่อจะได้ไปสุกที <laughs> นี่ใส่หลวงพ่อน้ำอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะไปฟังทำฟังเสร็จแล้วไปเลยนะ ไม่อ้อยต้อยอ้อยหญิงเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะงั้นรีบดูของเราไปเชิญกลับบ้านเนาะใครสงสัยอะไรดูจิตตัวเองไม่ต้องถามก็ได้เนาะใจถึงถึงเลย